บุ๊กทูเก้าเดวี н ดวันดิ尼ทิจเนียวันจันวันอังคารวันอังคารวันพุธ เสราร์วันพฤหัสศุกบบร์วันศุกร์พวันเสาร์ศุกร์วันอาทิตย์นจีลสัปดาห์อาทิตย์ ตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตว์ว ด, ดูววันที่หนึ่งคือวันจันววันที่สองคือวันอังคารรวัวันที่สามคือวันพุทธ วันที่สี่คือวันพฤหั ส, สบดีวันที่ห้าคือวันศุกร์วันที่หกคือวันเสาร์ วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์นนหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวั น, น, นวเราทำงานเพียงห้าวัน